ทำใจสบายๆนะฟังเทศเป็นระยะเวลาที่เราเอาความสงบและเอาปัญญาเข้าสู่หัวใจลดเปลืองพาระอย่างอื่นทั้งหมดอย่าห่วงกังวลเพราะเวลาฟังธรรมนั้นเป็นเวลาที่ท่านต้องให้ให้ให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับธรรมเพราะวันทั้งวันเราอยู่กับโลก บางคนวุ่นวายไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยการที่มีการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มาฟังธรรมคงจะมีมาทุกคืนแล้วนะตั้งแต่คืนวันที่ส0มสิบมาจนถึงเดี๋ยวนี้วันที่ส2สองวันที่ส3บสา เป็นวันถวายเพลถวายเพลย์หลวงพอ่อยอยธรรมะธโรก็ครูวิสุทธิวัฒนาพระครูวิสุทธิเมธาวัตก็เขียนให้พระครูวิสุทธิเมธาวัต <c oughs> <c oughs> <c oughs> พระนเทศก่อนให้พรถ้าให้พรก่อนแตกรังเลยอทุกคนวิวอาจารย์เราก็แตกแรงเหมือนกันโยมเราก็แตกแรงเหมือนกันบางคนยังไม่ได้รับทานอาหารเลยเสียโอกาสฟังเทศเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ตั้งใจนะตั้งใจฟังเทศ <c oughs>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 แต่สังหูปัจสมศุขคติคนชื่อว่าสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปที่สังวาริจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เคย พื้นที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปเราฟังคําแบบนี้เป็นคําทางพระพุทธศาสนาเป็นสัพท์ทางพระพุทธศาสน า, นส า, า, สนาให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเรา น, นี่แหละคือกองสังขารจิตใจของเราก็าคือกองสังขารพระพุทธเจ้าหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วท่านมีจิตใจเหมือนกัน แต่ท่านเอาเกิเล็ตออกหมดแล้วไม่เรียกกองสังขารพระอรหันต์พระอาฆาสาวกพระอสีติมหาสาวกรวมถึงพระอาหารหันตุยุกทุกสมัยจิตของท่านพระจิตของท่านไม่เรียกว่ากองสังขารเพราะท่านเอาเกิเล็ตออกหมดแล้วแต่ร่างกายจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามเป็นปุตตชนก็ตาม ยังเ ป, เป็นกองสังขารในกองสังขานั้นมีลักษณะสามอย่างเป็นที่ปรากฏคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทพระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราเพ่งพินิจารณาให้เห็ น, ใ ห, หนให้เห็นโทษของกองสังขารโอกาสที่เราจะมองสังขานให้เห็นเป็นโทษว่าอนิจจังวัดทุกขงกังเป็นอนัตตานั้นะเรามีโอกาสน้อย ทีเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราไม่ได้เอามาใส่ใจจึงทําให้เราประมาทเราดิ่งนอนใจยึดมั่นถือมั่นเรื่อยเกินในกองสังขารกองสังขารจงเป็นของเราเถิดจองสังขารจงเป็นอย่างใจเราคิดเราคาดเราหมายเราหวังเถิดอย่าเป็นอย่างอื่นเลยคิดอย่างไรนก็ไม่ได้เพราะกองสังขานั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอมาถึงวัยที่ สวยแล้วเกินงามแล้วเกินอยากหวงอยากทนุถนอมอยู่เท่าเดิมอายุเหมือนเดิมอ๋อเปลี่ยนไปอีกแล้วอายุล่วงไปอีกแล้วปีหนึ่งอายุล่วงไปอีกแล้วปีหนึ่งร่างกายหดไปแห้งไปเหี่ยวไปร่างกายไม่อยู่เท่าเดิมเราก็ได้รับความทุกข์นอกจากนั้นแล้วร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บร่างกายต้องแก่มันเปลี่ยนไปนตามวัยร่างกายต้องเจ็บ การเจ็บนี้มันไม่เลือกไวเพราะการตายกับการเจ็บนี้ไม่เลือกไวบางคนก็นุ้งตายทั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนก็ถูกกระรดออกก็ทำแทงออกทั้งขาของเราเราไปอุบัติในท้องแม่ด้วยกันทุกคนเราไปอุบัติด้วยเหตุแห่งกองทุกข์คือสมุทยัยสมุทยัยสมุทัยคือตัณหาตัณหาคือความอยาก ราวใดที่เราแก้ยังไม่ตกเรามีความอยากอยู่ถึงแม้ว่าเราจะตายปุ๊บเราจะต้องไปแสวงหาภพชาติใหม่ตายปุ๊บเราจะต้องไปแสวงหาภพชาติใหม่เราจะว่าไปแสวงก็ใช่เราไม่แสวงก็ใช่แต่หากมันไปตามบุญตามกรรมร่างกายของเราอุบัติในท้องแม่อาศัยพ่อกับแม่ประกอบกันเจริญพันธ์ หัวใจของพ่อของแม่ก็มีความอยากโดยเหตุที่ท่านมีความอยากนั่นแหละท่านจึงมีการเจริญพันธุ์เสร็จแล้วทําให้เราไปบัติในท้องแม่เราก็แสวงหาภบชาเราก็ไปจับจ่อในท้องแม่หาได้าตามบุญตามกรรมของเราของท่านบางคนก็มีเวรมีภัยต่อกันไปเกิดบางคนก็มีบุญมีกรรมต่อกันไปเกิดคนที่มีเวรมีบาหมีกรรมต่อกันไปเกิด ไปแล้วก็สร้างความยุ่งยากทุกยากอุ้นวายให้กับพ่อให้กับแม่บางคนมีบุญมีกรรมด้วยกันไปเกิดสร้างความปลื้มปีติยินดีให้กับพ่อกับแม่ทําความสะดวกสบายใจให้กับพ่อกับแม่ไปเกิดหลังจากไปจับจ่อปั๊บไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปน้าําใสใสครั้งแรกน้าําใสใสน้สาําใสใสนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนเป็นสีแดงๆ เป็นน้ำคนเป็นน้ำเลือดเป็นคนเลือดเป็นก้อ น, นเนื้อเป็นปัญญาสาขามาเป็นอาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามไปจนเจ็เดือนแปดเดือน9เดือนไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมนั้นถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องอาศัยวัตถุวัตถุดิบเอาไปป้อนวัตถุดิบก็คืออะไรก็คือเลือดเนื้อของแม่นั่นเองเราอยู่ในท้องแม่เราอาศัยเลือดเนื้อของแม่ ทานสายรบสายเสื่อมดูไปสร้างารักษณร่างกายของตัวเองโดยหลัธรรมชาติในการโุบัติเกิดขึ้นมาในขันของมึงเนี่ยเราไปจับจองตามบุญตามกรรมของเราเราแสดงความรู้สึกอะไรยังไม่ได้เราไม่เหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แสดงความให้ปรากฏกับแม่นะ มีเหมือนอย่างเจ้าชายศรีตถาของเราแสดงความปรากฏในในท้องแม่ให้แม่มองเห็นให้พนันสติมายามองเห็นมีความรู้สึกมองเห็นอยู่ในท้องแม่แต่พวกเราอยู่ในนั้นพ่อแม่ของเราก็มองไม่เห็นแต่ทุกวันนี้เขาไปส่องเห็นเขาไปสามารถส่องเห็นได้ว่าเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงนะ บางคนไม่อยากได้ผู้ผู้หญิงเขาก็เอาออกเราดูเติรุดทุกวันหนี้อ่าบางคนไปท่องเห็นว่าลูกในท้องไม่แข็งแรงเขาก็เอาออกนี่เราบุตริเกิดง่ายไหมบุตรเกิดยากมากนะบางคนแข็งแรงเป็นผู้ชายโอ้ยดีใจชอบใจพอใจเขาไปส่องเห็นหน้าเดี๋ยวนี้นะ้าไม่ชอบใจก็เอาออกก็เอาทิ้งนะ เร่งบานบา้บานบางเมืองเหมือนอย่างที่เราเคยไปเห็นเขาไม่มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการทําแท้งไหนะอพอได้ลูกคนหัวปีปักเขาเอาไว้ลูกคนที่สองลูกคนที่สาลูกคนที่สี่ลูกคนที่หา้าเขาไปแท้งทิ้งหมดนะเอาลูกคนที่หคนที่เจ็ดอย่างนี้เขาก็ทําได้กฎหมายทำโทษเขาไม่ได้กฎหมายไม่ได้ควบคุมแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยควบคุม จะเป็นประเทศไทยก็ตามจะเป็นประเทศไหนก็ตามผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมเพราะการทําแท้งนั้นถือว่าเป็นการฆ่าคนฆ่ามรดกท่านจึง ใ, ให้เรามาระวางมากมันเป็นเวรเป็นภัย เ, เป็นบาปเป็นกรรมบางคนพยายามจะไปเกิดในแม่ของตัวเองนั่นแหละเกิดครั้งหนึ่งเขาก็ทำแทงเกิดครั้งสองเขาก็ทําแท้ง พอเกิดครั้งสามครั้งสี่มาเนี่ยเขาเกิดได้เขาพ้น ม, มาได้ตอนนี้โอ้ยเป็นศัตรูกันเลยตอนตอนเนี้ยเขาจะเล่นงานเราบ้างตอนนี้เพราะเราฆ่าเขาเขาจะต้องฆ่าเราโอ้บางคนเอาชีวิตแม่ไปเลยก็มีเอาทั้งๆ ท, ที่อยู่ในท้องดนะ้วยบางคนเอาชีวิตแม่เมือ่อออกมาแล้วก็มีนี่เราต้องระวังครูบาอาจารย์ท่านห้ามนักห้ามนะห้ามทำมันผิดศีลผิดธรรมเท่ากับฆ่าคน เท่ากับค่าคนรับลอยเป็นมาโดยตามตา ม, ตามธรรมชาติเพราะเป็นบเป็นกรรมของเราได้ลูกผู้หญิงเราก็เอาได้ลูกผูช้ชายเราก็เอาได้ลูกที่ไม่ค่อยจะสมประกอบนับออกมาแล้วเป็นออทิสติกบ้างเป็นโพลิโองบ้า ง, างเป็นอะไรบ้างเราก็ต้องก้มหน้ารับเอาตามบุญตามกรรมของเรานี่เราดูที่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่คงทนความไม่เป็นเป็นกรรมใจหวาของเรามันเป็นไปได้สารพัด เราดูที่ภาวะที่เราอยู่ในท้องแม่อยู่เท่าเดิมความไม่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าทตรัสว่าทุกขังทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์เปลี่ยนตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นแหะออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปอีกอยู่ในท้องของแม่ก็ต้องบริโภคอาหารก็ต้องดูเลือดดูเนื้อของแม่ไปเสริมสร้างเป็นอาหารเพื่อจะไปเลี้ยงเอาวิยญาณของตัวเองออกมาพ่อแม่ยังก็ป้อนหรือข้าป้อ น, ออนด้วยนํานมถึงคราวที่ออก รับทานเองได้ใส่ปากใส่ข้าวน้ําอาหารเองได้ก็รับประทานเองได้สองชั่วโมงหิวอีกแล้วได้3มชั่วโมงหิวอีกแล้วได้สี่ชั่วโมงหิวอีกแล้วเพราะในร่างกายของเราเนีมันไม่เคยอยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่ในวัยเจริญมันก็ไปสร้างสร้างความเจริญให้กับร่างกายพอถึงคราวอิ่มตัวถึงวัยหอิ่มตัวถึงวัยเสือ่อมมัจะเสือเส่อมลงเสื่อมลง ใส่ไปเท่าไรก็ไม่ยอมไม่ยอมวดไม่ยอมผีนก็แค่ทรงทงเอาไว้เท่านั้นดีนี่คืออัตภาพร่างกายของเรามันเจริญอยู่แต่หามันเจริญในวัยที่เจริญมันมีวัยองเรามันมีวัยแล้วก็จะเจริญเสื่อมในวัยที่เสือ่อมนี่เราพูดให้เห็นลักษณะของอนิจจังของทุกขงังภาวะของอนิจจังกับทุกขังนั้นนะ่ะเราบังคับบัญชาไม่ได้ดอกด้วยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้พระพุทธาท่านจึงทรงตรัสว่าอนับตาอนับตา่าไม่ใช่ตน แต่พวกเราเอาความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตนด้วยความเป็นหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยเหตุนั้นเองเราจึงยึดเราจึงถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นเรายึดถือคนที่เกี่ยวข้องกับเราว่าเป็นพ่อเราว่าเป็นแม่เราว่าเป็นพี่เราว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาของเราว่าเป็นบุตรของเรา ภาวะอนิหารเกิดขึ้นโดยภาวะของหลักธรรมชาติเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นไตรลักษณ์มีประจําก่อสังขารทุกๆสังขารเราสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือรูปประสังขารของเราอัตภาพร่างกายของเราขึ้นชื่อว่าสังขานั้นคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สอสิ่งเป็นต้นใบไปรวมกันเรียกว่าก่อสังขารปราะฉะนั้นรูปธรรมร้อยจังร้อยก็ย่อมเป็นก่อสังขารสังขารอยู่ดี แต่สังขาร น, นามสังขารคือใจของเราเราเราอุบัติมาเราอุบัติมาพร้อมกับรูปกับนามเวทนาสัญญาสังขารเนี่เป็นนามคือใจใจคือนามใจเวทนาสัญญาสังขารนี่ทายว่าใจก็ยังไม่ใช่ทีเดียวมันเป็นอาการของใจมันเป็นอาการของธาตรู้มันเป็นอาการของผู้รู้ ไปยึดรูปยึดเวทนายึดสังขัญญายึดสังขารยึดวิญญาเพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่ า, าสุขที่รวมยอดของกองทุกข์ก็คือปัญจขันธ์คือขันธ์ทั้งหาปัญจขันธ์คือขันธ์ทั้งหอันนี้เราจะได้รับความทุกข์จากเขาทุกระยะทุกเวลาและก็ทุกเพศและก็ทุกไปบัดนี้หลวงพ่อพระครูวิสุทธิเมธาวัตหรือหลวงพ่อ ย, ยอยธรรมธโรบุญห่อ สแสดงธรรมะที่วุทิยัตถส่งตรัสไว้นี้ให้ปรากฏเฉพาะหน้าของพวกเราพวกเราเป็นสานุสิทธ์เมื่อครูบาอาจารย์ทั่านล่วงนำไปอย่างนี้เช่นนี้พวกเราไม่ลืมที่จะมารวมกันทําบุญเพื่อส่วนหนึ่งเป็นบุญของเราส่วนหนึ่งอุฒิส่วนบุญบูชาคุญของครูบาอาจารย์และการมาช่วยกันจัดมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทําคนที่มีความเกี่ยวข้องมาประจําก็ต้องมา ช่วยดูแลกันเครื่อนที่อยู่ไกลๆมาเป็นการเป็นคราวก็ต้องมาช่วยดูแลกันเพราะการที่เราช่วยดูแลกันจาัด ก, การเหล่านี้ให้เสียรุดร่วมไปด้วยดีนะั้นไม่ได้ทำเปล่าเราทำไปแล้วเกิดบุญเกิดกุศลในในหัวใจของเราเพราะเราอยู่นี้เราไนมะ่ไม่ประมาทเราไม่หนอนใจเราจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรม เราประมาทมัวเมาทีไรเมื่อ ไ, ไรก็จะทําให้เราดึงเราออกนอกสินนอกธรรมดึงออกนอกสินนอกธรรมส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันดึงเราออกเพราะฉะนั้นมันเป็นสมุทัยมันเป็นตัวนําทุกนําโทษมาให้ถ้าไม่เราหลงละเลยหลงละเรอเลพลอลไปกับโลกกับสงสารจนลืมสินลืมธรรมลืมความรับผิดชอบ ผิดชอบชั่วดีลื้อไปหมดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันเด็กนะวันเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งก็ห่วงถึงขั้นมีกฎหมายตราไว้ในรัฐธรรมนูญ น, น ะ, ะในวัยเด็กเนี่ยควจะรับผิดชอบใครจะเป็นคนรับผิดชอบวัยเด็กก่อนเรียนใครจะรับผิดชอบ ใครจะรับผิดชอบเกี่ยวกับร่างกายของเขาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับจิตใจของเขาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบอร่างกายจิตใจรวมไปถึงนิสัยนิสัยลูกก็ต้องจงมาจากพ่อมาจากแม่อารมณ์รูก้ก็ต้องได้ฝึกหัดมาจากพ่อมาจากแม่เกี่ยวกับสังคมก็ค่อยเรียนรู้ศึกษาไปเข้าใจไปในสังคมในครอบครัวสังคมคนรอบข้าง รวมไปถึงสติปัญญาการสร้างสติการสร้างปัญญาเนี่ยท่านมีกำกับควบคุมดูแลให้เราดูแลลูกของเราให้ดี oh. เกี่ยวกับร่างกายให้เขารู้จักมรารยาให้เขารู้จักความประพฤติให้รู้จักกราบห้รู้จักว่าให้รู้จักที่สูงที่สัมที่ต่ายิ่งพาะเราเป็นชาวพุทธวยแล้วต้องบอกสอนลูกของเราให้รู้จักกราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แท้ที่จริงกราครั้งหนึ่ง ราลึกถึงพุทธุทโธนารูกราบครั้งที่สองเราลึกถึงธรรมโมนารุกราบครั้งที่สาเราลึกถึงสังโฆ ค, คือประสงนารู่อย่าไปบอกแค่กราบหนึ่งกราบสองกราบสามโลกเขไม่รู้เรื่องนะก ร, ราบพระพุทธเจ้าพระสามประสงค์เรากราบที่ไหนถ้าเราลึกถึงบุญทึ่งคุณของท่านเราจะกราบถึงท่านทั้งหมดถ้าเราไม่รลึกถึงบุญถึงคุณไม่ถึงแม้แต่ก ร, บราบพระพุทธรูปองค์พระพุทธรูปแท้ กรรามลาะลึกถึงพุทธาาังสนังขจ า, ามิตรธรรมังสนังขจามิตสังขัรสนังขจามิตรไม่ถึงรกกงูปียาพระตรรมประสงค์กราบถูกอิดถูกปูนถูกโลห ะ, ะถูกทองเดืองนี่คือการบอกการสอนของลูกลุงตาท่านสอนอยูนะท่านสอนว่าลูกเวลาเราควรจะสอนยังไงพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องนิสัยเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ เกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยพ่อแม่สอนลูกโดยอัตโนมัติเพราะพ่อแม่ทําตัวเหมือนกระดานดำเหมือนกระดานดําจะาลืมว่าพ่อแม่ทําตัวเหมือนกระดานดำพ่อแม่มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออกเนี่ยเหมือนกับกระดานําสอนลูกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราทําไมเราจะสอนลูกของเราได้ดีเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับจิตใจจะควบคุมจิต ปิดใจของเราได้อย่างไรจะรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างไง ร, รักษาดูแลองเขาให้เขาวนวนสมบูรณ์ไม่ขาดตกอบบฟรองไม่ขาดวิตามินบางงั้นเถอะให้สมประกอบให้สมประกอบให้เขามีสติ ด, ดีให้มีปัญญาดีพยายามให้นมลูกให้ได้สักสองเดือนนะตามหลักท่านบอกนะสักสองเดือนนะบางคนไม่ถึงดอกครึ่งเดือนกระิ้งแล้วให้กินนมปลอมให้กินนมสัตว์ ให้กินนมปลอมพยายามอื่นทำให้ขาดวิตามินในทางที่สมบูรณ์ให้กับเด็กนะท่านถือว่างั้นน ะ, อ, ะอย่างน้อยเสียสละสักสองเดือนก็บอกว่าถ้ากินนมแม่แล้วเด็กจะสมบูรณ์เราไม่ถึงดอกเพราะอะไรคิดถึงจเรื่องงานเรื่องการคิดถึงจะเรื่องเงินเรื่องถอ่อหนักหเข้าเลยหางลูกเานหนเพราะลูกอยู่โดยลพาพังได้ก็ปล่อยลูกเลท่านหน ให้ลูกเล่นก็มีให้ลูกเล่นเกมให้ลูกเล่นอะไรไปนี่ถ้าถือว่าพ่อแมอ่ทิ้งหน้าที่นะถ้าถือว่าทิ้งหน้าที่ไม่ดูแลร่างกายจิตใจของเขาข ก, ก, ก็รู้จักสอนรู้จักบอกรู้จักสอนให้รู้จักอดให้รู้จักทนให้รู้จักที่สูงให้รู้จักที่ต่ำมันกระจัดกระายเป็นนิสัยเไปของเขาไปโดยอัตโนมัติเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมที่เราเกี่ยวข้องผูกพัน จากนั้นแล้วก็สอนให้เขาฉลาดสอนเกี่ยวก็เรื่องสติเกี่ยวก็เรื่องปัญญานี่มีความสำคัญอยู่กอโตไปแล้ว mm. เขาสามารถศึกษาเองได้เรียนรู้เองได้ไปปถมไปมัธยมไปวิลล์ไประดับลู่ที่ดก็กรสอนให้เขามีความรู้มีความสามารถเนี่ยวันวันเด็ก ว, วันพรุ่งนี้ก็เลยพูดเกี่ยวกับเรื่องเด็กพอเป็น ข, อข้อคิดสำหรับพวกเราด้วยพวกเรา เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกวันเด็กมันก็สะท้อนผู้ใหญ่วันผู้ใหญ่มันก็สะท้อนเด็กเพราะเด็กผู้ใหญ่กันมาจากเด็กตอนเด็กถ้าทำตัวไม่ดีจริตนิสัยไม่ดีฝึกฝนอบรมการตั้งใจฝึกฝนอบรมนั้นช่วยดัดแปลงได้เกินครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าหากไม่ช่วยดัดแปลงเลยนิสัยดั้งเดิมมาอย่างไงมันก็ไปอย่างนั้นนิสัยโหดร้ธารุณนิสัยเครี้วกราดนิสัยชุนเฉียวเครี้ยวกราดนิสัยไม่มีระเบียบไม่มีปริญญาถ้าหากเราตั้งใจฝึกฝนอบรมหน่อยเขาก็จะดีขึ้นกว่านิสัยดั้งเดิมของเขาโดยอัตโนมพันธของเขาเพราะฉะนั้นการเรียนการบอกการสอนการโย่อย่างมีผู้บอกผู้สอนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอืท่านถือว่า เยาวชนเยาวชนเป็นทรัพยากรของชาติชาติเราจะไปได้ดีเพราะทรัพยากรของเราเรามีทรัพยากรที่ดีทรัพยากรคือเด็กมันไม่เหมือนอย่างอื่นเด็กจะดีได้จะต้องอาศัยผู้บอกผู้สอนอยู่ที่บ้านก็พ่อแม่ช่วยบอกช่วยสอนไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็ช่วยบูรณงเมื่อวันสองวันนี้เราไปชั้นที่มหลาลัยเราจะผัดเราบอกว่าเด็กโตแล้วทําังไง เด็กโตแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตามเพราะเขาโตแล้วพูดได้อย่างเดียวว่าเขาโตแล้วแล้วบอกอะไรเขาไม่ได้บอกอะไรเขาไม่ได้คุมได้เฉพาะวิชาการความรู้เท่านั้นอย่างอื่นอยู่ต่อหน้าครูเขาก็อาจจะมีความเคารพย่างเกรงอรู่บ้างแต่รับหลังครูแล้วก็เทานั้นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วเราก็มนุษยธรรมไง เพราะฉะนั้นเด็กถ้าหากเราฝึกได้ดีถึงโตอาอยู่ในสังคมคลุกคลีกันอะไรเท่าไหร่เขาก็ยังมีเขาก็ยังมีฮิริดียังมีโบทถาป่าดียังมีความสำคัญนะพวกเราทั้งหลายรู้แก่ใจเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรตัวใรเราเปลี่ยนมาตามวัยจากวัยที่เคยไม่เคยดูรักษาศีลถือธรรมประพฤธรรมปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าจะโตมาแล้วก็ตาม เราไปยังใช้นิสัยดังเดิมที่เป็นมาต่างธรรมชาติของเราแต่ถ้าหากเรามาเกี่ยวข้องกับพันธุ์กับสินกับธรรมกับอะไรตัวอะไรก็จะเริ่มเปลี่ยนนิสัยพูดไปแล้วมันก็ละเลยสิลละเลยธรรมลยไม่ได้เพราะเรื่องนิสัยจิตใจนะั้นมันเกี่ยวเื่องกับสินกับธรรมพระพุทธเจ้าท่านไปสอนไปที่อื่นท่านสอนมาที่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่พาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าป่ารวมถึงตัวเองด้วย ไปทำบุญไปให้ผ่านไปรักษาศีลไปประพฤติ ธ, ธรรมไปปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญและสิ่งเหล่านี้เป็ น, ปนสมัยเป็นปัจจัยนําเราถึงความสุขความเจริญวันนี้โปกเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาบำเพ็ญเป็นเจ้าภาพสวดเป็นเจ้าภาพสวดเป็นเจ้าภาพฟังเทศท่านทั้งหลายมีบุญมีกุศลก็สมหัวใจ ข, ขอท่านทั้งหลายทิ่ส่วนบุญส่วนบุญส่วนนี้ บูชาหลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมาวัดคือหลวงพ่อยอยธรรมธโรอ า, อายุการผ่านไปของท่านไปเกว่าพรรษาพรรษาเท่าไรพรรษา56อาอายุ77ปีสเดือนเจวันพรรษาห6านะได้ยินว่าทำศาลาหลังนี้เสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ฉลองเลยสักปนะ ศาลาใหญ่โตเราเคยเข้ามาตั้งแต่ลงตามมาช่วยชาติตอนนั้นได้ยินว่ากำลังเริ่มทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ฉลองศาลาใช่ไหมท่อนก็ เ, เลยฉลองอยู่ในนี้เสเลยตอนนี้พวกเราทั้งหลายตั้งใจบงเพ็ญและปุญที่ส่วนบุญให้หลวงพ่อยอยผลทั้งหมดที่เราได้ทำไปเป็นบุญเป็นกุศลต่อสัวใจ บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราทํามากน้อยจนจบวาระถวายเพลิงท่านนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่งดใจญ่ของเราเราทิศส่วนี้อุทิศให้แก่บูชาแก่ครูบาอาจารย์และผลบุญคือความสุขความเจริญทั้งหลายจะอํานวยใช้ใพรตามส่งเสริมให้เรามีความสุขมีความเจริญมีจิตใจเยือกเย็นอยู่ในสิ่งในธรรม ธำมาหาินก็มีความเจริญงอกเงยมีความเจริญงอกงามโดยทั่วทั่วกทุกท่านเธออินฉิตังปฏิตังตุงหังท่ปเมวัสมิชะตุกสัพเพปูเรนตุกสังกปายจันโทปนังรกโสยัตถามนิโชธิระโสยัถา สัพพีติโยวิวัจจันตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีคายโกภวะอภิวาทนาสีฤิสนิจัญพุ ธ, ธาปัยโยจัดตารโรธรมมาวัฏทันที่อิวันโนสุขังป ะ, ร, ะ, ร, ะงรัง